ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของคําว่าอาริยสัจเข้าไว้นะตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่บอกภิกษุในพระธรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกคาสบูไทย ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์คณิโรธแล้วก็ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์คนิโรทคามินีปฏิบัานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาริยาสัจจ์เป็นฉไหนแม้ชาติก็เป็นทุกข์ชรลาก็เป็นทุกข์แม้วรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกาปรีเดวะทุกขโทมนาส่าอุปาญาตก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พระทราจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เนาะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อ ก, ก็คืออุปาทานกันห้าเป็นทุกข์และท่านก็มาขยายว่าชาติเป็นชไหนความเกิดความบังเกิดความหยั่งลงเกิดเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะ คือได้ตาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นต้นนี้แหละในหมู่สัตว์นั้นๆอันนั้นเรียกว่าชาติแล้วท่านขยายว่าชะลาเป็นชไหนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆอันนั้นเรียกว่าชะลาแล้วก็มรณะเป็นชไหนท่านหมายถึงความเคลื่อนภาวะของการเคลื่อน การแตกทำลายความหายไปมรติยูความตายการทำการะการทำลายขันการทอดทิ้งซากศพไว้การขาดลงแห่งรูปรชีวิตและนามชีวิตในหมู่สัตว์นั้นอันนั้นเรียกว่ามรณะโสกะเป็นชไหนความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะของบุคคลผู้มีแห้งใจในนะั้ความผาาณภายใน แล้วก็แห้งผากณนะภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมีการวิบัติเพราะญาติเพราะโรคภัยเป็นต้นผู้ถูกทําคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันนี้เรียกว่าโสกะปริเทวะเป็นชไหนความคําครวนความร่ําไรลําพันธ์กริยาที่ค่ําครวนกริยาที่ร่ำไรลําพันธ์ภาวะของบุคคลผู้ค้ำครวนภาวะของบุคคลผู้ไร้ระ รำารลำพันธ์ผู้ประกอบไปด้วยความพิบัติหรือวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทาคือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะทุกเป็นชนยัยความลำบากกายความไม่สำราญกายความเสวยอารมณ์มันเป็นทุกข์ไม่สำราญแห่งจิตที่เกิดจากสำราญแห่งกายที่เกิดจากกายสัมผัสที่เป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าทุกข์ โทมนัตเป็นชไหนความทุกข์ทางใจวิือทางจิตนั่นแหละความไม่สําราญทางจิตความเสวยอารมณ์มันเป็นทุกข์ไม่สําราญเกิดแต่โทมนัตสัมผัสะอันใดอันนี้เรียกว่าโทมนัตอุปายาสะเป็นชไหนความแค้นความคับแค้นของภาวะของบุคคลผู้คับแค้นเนี่ยนะภาวะของบุคคลผู้คับแค้นผู้ประจวบด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งพูด ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันใดอันนี้เรียกว่าอุปาญาตความประจวบกับสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักเป็นชนไหนความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าไข่ไม่น่าพอใจหรือพบเจอบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกันเป็นต้น ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อกันปรารถนาสิ่งที่ไม่พาสุขต่อกันปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะคือกามโยคะเพราะว่าโยคะทิฏฐิโยคะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งมีแก่บุคคล น, นั้นอันนี้เรียกว่าประจบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักความ พ, พลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นฉไหนความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่ระคนด้วยรูปเสียงกินรสสัมผัส โพธพะอนาปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจหรือบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกรูลปรารถนาความผาสุกปราถนาความเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่บุคคลนั้นคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตุหรือญาสายโลหิตอันใดเมื่อพระภาคจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักอย่างนี้แล้ว น, นี้เรียกว่าความพระภาคจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นเไหนความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่าได้มีแก่ถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ควาปรารถนาย่อมมันเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมด า, าโอ๋นอขอให้เราไม่มีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาะอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นโทุกความปรารถนาย่อมมันเกิดแก่รรสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเนี่ยขอเราพึงมี ไม่พึงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาขอความเจ็บไข้อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาอันนี้ก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้สิ่งนั้นความปรารถนาย่อมมาเกิดกะสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาโอ๋นอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามาถึงเราเลย ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้สิ่งนั้นความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความโศกปริเทวะทุกขโทมนานัสาและอุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีโศกไม่พึงมีปริเทวะไม่มีความทุกข์ไม่มีโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาขอโศก บริเทวะทุกขโทมนะเจาอุปายาตยามีแก่เราอย่ามาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา น, น, นี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกเป็นชนิดรูปอุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาคือสัญญาสังขารวิญญาณโดยย่อ เรานี้เรียกว่าอุปาทานอาคารหดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจเห็นไหมเนี่ยท่านแสดงลักษณะเนี้ยคือเวลาเราอ่าพุทธพจน์เนีพระองค์แสดงในลักษณะเนี้ยนี่แสดงทุกขสัจจ์สัตว์ทงตลอดทุกขสัจจ์แล้วเข้าใจได้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพระองค์ก็จะแสดงลักษณะเนี้ยทีนี้ถ้าไปดูในลักษณะบอกว่า สมุทัยสัจจะพระบรมศาสดาก็แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์ขาดสมุทัยอริยสัจเป็นเไหนตัณหานี้ใดอย่ายังตัณหานั่นแหละก็แปลว่าตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยนันทิราคาความยินดีความเพื่อเพลินนักในลมนั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราได้เย็นอย่างนี้ก็ทําท่างงแล้วใช่ไหมนี่อะไรคือกามตัณหาอะไรคือภาวะตัณหาคือ อะไรวิภาวะตัณหาเนี่ยก็ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดณที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งในอยู่ณที่ไหนนี่ท่านตั้งเป็นประเด็นคำถามที่ใดล่ะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเวลาจะเกิดก็เกิดณที่นั้นนั่นแหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณในที่นั้นนั่นแหละอะไรเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกท่านก็ขยายเลยบอกตาหูจมูกลินกายใจไง เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่ำเกิดณที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณที่นั้นแหละก็มาพิจารณาก็เห็นเลมไหมโอ้ตาเนี่ยเป็นที่รักของสัตว์โลกใช่ไหมหูก็เป็นที่รักจมูกลิ้นกายและกระใจในเนี่ตะปูนี่แหละที่มันตอกไปตามจุดต่างๆนี่แหละในบ้านหลังนี้เป็นที่รักมากถ้าตะปูนี้จะต้องถทนถอดออกเน่ยโอ้น่าเสียใจมากอยู่อะเสียใจมากเนี่ย รูปเสียงกินรสสัมผัสและทำมารมก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดณที่นั้นและเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณที่นั้นอันนี้ก็จับประเด็นได้แล้วโอตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นที่รักของตัณหาของที่รักของสัตว์ใช่ไหมสัตว์ก็จะมายินดีที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นตัณหามันจะตั้งอยู่ตรงไหนมันก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสและก็ทำมาลมเป็นต้น ก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของสัตว์โลกทุกจําพวกใช่ไหมฉะนั้นเวลาตัณหามันจะเกิดก็เกิดที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมนี่แห ล, ละแล้วเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมเป็นต้นเห็นไหม pane? ถ้าพิจารณาอย่างนี้จะบอกว่าเอ๊ะถ้าจะกําหนดเฉพาะนามเห็นอย่างเดียวพอไหมเนี่ยไม่พอเลยเห็นไหมเพราะว่าตัณหาไม่ได้ตั้งที่นามเห็นอย่างเดียวเนี่ยตั้งที่ตาด้วยตั้งที่รูปารมณ์ด้วยแล้วก็ตั้งที่จักขูวิญญาณด้วยเห็นไหมว่า จักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดในที่นั้นแหละถ้าจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นั้นเห็นไหมเราก็จะเริ่มเห็นโอ้เนี่ยแม้จักขูวิญญาณก็เป็นที่ยินดีพอใจเพลิดเพลินของตัณหาเวราาตัณหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณตัณหามันก็จะ มันก็ยินดีพอใจอยู่ในวิญญาณ6กนี่แหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่วิญญาณหกนี่แหละฉะน ob ั้นการวิจัยต้องเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจวิจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็วิตรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมด้วยแล้วก็ต้องวิจัยจักขูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็ตายวิญญาณมโนวิญญาณด้วยเพราะว่าตัณหามันยินดีตรงนี้และจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่วิจัยเห็นโทษของมันแล้วเนี่ยตัณหาก็กลับมาตั้งอีกตัณหาก็กลับมายินดีอีกเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่พอที่จมาใช้คำว่า ก, การวิจัยเล็กๆน้อยๆเนีย่ยมันไม่พอต่อการถ่ายถอนใช่ถ่ายถอนตัณหาจากขู่สัมผัสเนี่ยสวตาสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสแล้วก็มโนสัมผัสใช่ไหม ก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอยู่ที่นั่นแหละจากขู่สัมผัสเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสเป็นที่สุดนั่นแหละวลาจะจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณที่นั้นเองแล้วก็จากขู่สัมผัสสชาเวทนาเห็นไหมสวัสดสัมผัสสชาเวทนาเวทนาสามเนเี่ยเกิดต่อจากตาหูเนี่ยคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากาย ส, สัมผัสสชาเวทนาและ มโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดอยู่ณที่นั่นแหละที่เวทนา6เหล่านั้นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนา6ที่เป็นไปในทวารทั้ง6นั่นแหละรูปสัญญาความสําคัญวันนี้รูปศัทธาสัญญาสําคัญวันนี้เสียงเนี่ยนะคันดาสัญญาราศาสัญญาโพธภาษัญญาธรรมะสัญญ า, รรญญาก็เป็นที่รักนะ ความจําในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์เนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาคืออย่างเหนียวเนี่ยเวลามันจะยึดมันจะติดมันจะยินดีมันจะเพิดเพลินทั้งหลายมันก็ยินดีในรูปประสัญญาสัทธาสัญญ า, ญญาคันทาราสาผลิภัณฑ์และดัมมาสัญญานี่แหละแล้วเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่สัญญาทั้งหประการนี่แหละรูปประสัญเจตนาเนี่ยอันนี้หมายถึงตัวเจตนานะ รูปสัญเจตานาสัทธสัญเจตานาคันดาสัญเจตานาพระศาสสัญเจตานาโพธภาษัญเจตานาและธรรมะสัญเจตานาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเวลาจะเกิดเขาก็เกิดณนะที่ตรงนั้นฉะนั้นเวลาจะตั้งก็ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งเน่ยไหมพอเห็นรูปขึ้นมาก็มีความจงใจมีการจัดแจงในการที่จะปรุงแต่งรูปนั้นเป็นต้น ศัทธาสัญเจตนาก็เหมือนกันเจตนาในการที่ปรุงแต่งในเสียงคันธ า, าสัญเจคันธาสัญเจตนาก็คือเจตนาปรุงแต่งในกลิ่นเป็นต้นนี่ยะรสชสัญเจตนาในรสโผฏฐพะสัญเจตนาในโผฏฐะแล้วก็ดัมมาสัญเจตนาที่ในธรรมารมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งไปปรุงแต่งมายินกรรมก็เกิดขึ้นนะเจตนากรรมเกิดร่วมกับสัญญาเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกฉะนั้นตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดในะที่ตรงนั้นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นฉะนั้นพระองนี้สอนว่านี่ไงสถานฐานที่เกิดของเขานี่แหละคืออารมณ์ขุนพัฒนาทั้งนั้นนะที่พูดมาเนี่ยต้องวิจัยต้องทำความรอบรู้รู ป, ปตัณหาเห็นไหมก็มีความยินดีพอใจในรูปสัทธาตัณหายินดีพอใจในเสียงคันธตัณหายินดีพอใจในกลิ่น ราซาตันหาโพธภัตันหาดัมมะตันหายินดีพอใจในรสโพธพัลและธรรมารมณ์เนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดณที่นั้นแหละมันเกิดซ้ำซ้อนเลยนะเกิดเป็นสภาพที่พอใจมากที่ตนเองมีความเพลิดเพลินในรูปพอใจอย่างยิ่งในขณะที่ตนเองเพลิดเพลินในเสียงมัวเมาในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพัลและในธรรมารมณ์เนี่ย นี่เป็นที่อาศัยเกิดของตันหาอย่างดีเลยฉะนั้นตันหาเวลาจะเกิดจเจริญขึ้นก็จะเกิดที่ตรงนี้เวลาจะตั้งอยู่เขาก็อาศัยตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละรูปไปวิตกสัทธาวิตกคันทาวิตกระสาวิตกโพธพวิตกธรรมาวิต ก, รร ว, ตกวิตกก็คือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นเสื่อมใช่ไหมเขาก็เป็นธรรมชาติที่ยกจิตเข้าปารบรูปารลมบั้งปารบสัทธารมคันธารมระสาวลมโพธพาลมและ ธรรมอารมณ์เป็นต้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกคิดว่าตนเองเนี่ยคิดถูกแล้วเห็นก็ถูกนะปรุงแต่งต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นแลยนะแล้ในที่สุดจริงๆนั่นแหละเป็นที่เจริญใจเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดในที่ตรงนั้นเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นั้นรูปประวิจารณ์ด้วยนะมีการเข้าคลึงอารมณ์ด้วยนะทั้งรูปเข้าคลึงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ในธรรมารมณ์ รู ป, ปวิจารสัทธาวิจารคันธวิจารระสาวิจารโหดภวะวิจารธมวิจารณ์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดหน้าที่ตรงนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่หน้าที่นั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตัณหามันเกิดได้ในอารมณ์ใน ตาหูจมูกลิ้นกายใจในอารมณ์ทั้งหในวิญญาณหกใช่ไหมก็ไล่ไปตามลําดับอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปนะัสสนาเนี่ยเมอตันหามันรู้มากขนาดเนี้เรื่อจากขู่สัมผัสเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสสะเป็นที่สุดจากขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสชาเวทนาเป็นที่สุดรูปปตัตนหาเป็นต้นเป็นถึงธรรมตันหาเป็นที่สุดนะนะ รู ป, ปสัญญารูปสัศญเจตนารูปปัตหารูป ป, ป, ปวิตกรู ป, ปวิจารณเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเวลาจะเกิดก็ เ, เกิดในที่ตรงนั้นและเวลาจะตั้งอยู่นะก็ตั้งอยู่ในที่ตรงนั้นถามว่าเมื่อตัณหาเนี่ยมันมีที่เกิดมีอารมณ์เกิดมีที่อาศัยเกิดมากมายขนาดเนี้ยมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดมากมายอย่างเนี้ยถ้ารู้เพียงหนึ่งอย่างเพียงพอไหมเนี่ย ใช่ไหมตรงนี้จากนั้นจะได้เข้าใจคําสอนของพระธเจ้าทําไมสอนวิปัตนาเยอะใช่ไหมอารมณ์ของวิปัตนาทำไมพระเจ้าสอนเยอะเลยเกินเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ก็มาพิจารณาบักดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทุกขานิโรธถอริยสัจเป็นเไหนความดับใช่ไหมความสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือความสละความสลัคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในไหนในตัณหาที่ยินดีเพลิดเพลิน ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่านั้นจนถึงรูปปวิจารณ์สัทธวิจารณ์กันทวิจารณ์ราซาผลิภัณฑ์และธรรมวิจารณ์เหล่านั้นน่ะตัณหานั้นน่ะตัณหาถ้าเราดับคือสํารอกโดยไม่เหลือความสลากความสลักคืนความปล่อยวางความไม่อะไรในตัณหาเหล่านั้นได้ก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละณนะที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับณนะที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกเลยใช่ไหม ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้นะที่นั้นเมื่อจะดับก็ต้องดับได้นะที่นั้นก็อะไรละเป็นที่รัก <environmentally> เป็นที่เจเริญใจในโลกก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกฉะนั้นเมื่อจะละตัณหาก็ต้องละเสียนะที่นี้เมื่อจะดับก็ดับนาะที่นี้เอาไม่ใช่ไปดับที่อื่นใช่ก็ใช่ไหม มันต้องดับทีนี้ไอการดับเนี่ยดับยังไงดับโดยการสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือการปริญญาพานคดับนาที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมการนิพานเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปเสียงกดลิ่นรสโผฏฐาพาและทำมารมเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะละก็ละนะเสียนะัที่เนี้ยเมื่อจะดับก็ดับนะัที่เนี้ยจากกุญญาณโสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหายาณกายเ ย, ยื่ยมยานูญาณเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกฉะนั้นตัณหาเนี่ยนะเมื่อจะละ ก็ต้องละเสียนหน้าที่นี้เมื่อจะดับกระดับหที่นี้จากขูสัมผัสโสตสัมผัสกายนะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตั้หาวจระก็ละหน้าที่นี้ถ้าจะดับก็ดับหน้าที่ตรงเนี้ยจากขู่สัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายยะสัมผัสชาเวทนาแล้วก็มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกท่านหาเมื่อจะละ ก, ก็ละนะเสียนะที่ตรงนี้จะดับประดับนะที่ตรงนี้รูปปัสสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธาสัญเจตนารศาศาสสีตะและโพดภะดรมมสัญเจตนารูปปัสสัญเจตนาสัทธาสันเจตนาคันธาสัญเจตนารสศสสัญเจตนาโพธภะสัญเจตนาแล้วก็ธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกหมดเลย รูปป ha, ัตหาสัทธตันหาคันทะตนหาราสาันหาโลถภาตนหาธรรมาตนหาก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกรูปปวิตกสัทธวิตกคันทวิตกราสาโลถภาธรรมวิตกก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกรูปวิจารณ์สัทธาวิจาร์คันทาวิจารณ์ราสารผลถภะวิจาร์ธรรมวิจารณเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจที่สุดในโลกเมื่อจะระ ตัณหาก็ละนาที่ตรงนี้เมื่อจะดับตัณหาก็ดับนาที่ตรงนี้ฉะนั้นก็ดับตรงที่พระนิพพานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขานิโรธาอริยสัจที่จริงแค่พุทธพจน์เนี่ยก็น่าจะปฏิบัติได้โดยตรงใช่ไหมทีนี้พระองค์ก็สอนข้อปฏิบัติเลยบอกเอา้าบอกหนึ่งทุกสองบอกตัวสมุทัยนะสามบอกตัวสภาวะที่ดับทุกคือทุกขานิโรธสี่บอกวิธีปฏิบัติเลย ทุกข а โรทคามินีปฏิบัาเอยรอริยสัจเป็นเชนไหนเลยบอกอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติและวก็สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นเชนไหนขยายเลยความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธ ความรู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิบัาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเอารู้ในทุกก็คือไปรอบรู้ตัวทุกข์สัตว์ทั้งหมดที่ไล่มาตั้งแต่ชาติที่ทุกชรลาทุกนะฮะพยาที่ทุกมราณะทุกโศกาบริเดวทุกกระทมนัสสารลอุปายาใช้ใช้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิไปวิจัยไปรอบรู้สิ่งเหล่านี้ทุกข์กสมุทัยก็เห็นไหมตัณหานี้ได้ยาอย่างตัณหาโปโนโปวิกานันดิราคาสกาตาตตะ ต, ตราพินันติเนีย เสียที่ทางกรมมาตัณหาเพราะวาตัณหาวิภราะวาตัณหานั่นเองอะไรเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกเป็นต้นนั่นแหละอันนี้นคือทุกขส ม, มุทัยทุกขานิโรธก็คือว่านั่นแหละตัณหานั่นแหละดับด้วยการสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือเพื่อจะสํารอกกร ม, มาตัณหาเพราะวาตัณหาวิเพราะวาตัณหาที่มีความยินดีเพื่อเปื้นในตาหูจมูกเล่นกายใจนั่นแหละมันดับในที่ตรงสภาวะพระนิพพานาฉะนั้นกรณีที่ว่า การมีโรธคารีปฏิบัติาก็คือว่ารู้ข้อปฏิบัติในตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ทุกข์เพื่อจะรอบรู้ในทุกข์นรอบรู้ที่ตั้งของทุกข์ด้วยนะใช่รอบรู้ตัวทุกข์ด้วยเมืเ่อไปรอบรู้ในตัวทุกข์ไปเสร็จแล้วก็รอบรู้ตัวเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็รอบรู้สภาวะที่ดับทุกข์ แลยังไปรอบรู้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เขาถึงความนับทุกข์อก็รอบรู้อริยมรรคเลยเนี่ยสมาธิถี่ไปรู้เรื่องเหล่านี้ต้องรู้ตัวเองด้วยนสมาธิที่เนี่ย เป็นเป็นทั้งโลกิยาปฏิเวทะและโลกุตระปฏิเวทะจะไปถึงโน้นเลยขั้นโลกิยากับเปโลกิยาเนี่ยนะฮ่ง น, น, นั้นตรงนี้อรรถกรณีในลักษณะอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าเจริญสัมมาถถทิฏฐิใช่ไหยที่บอกว่าเจริญสัมมาถถทิฏฐิอนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคะอนาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสลัดทิ้ง ใช่ใช่พราะเขาประกอบกันนี้แล้วก็สัมมาสังกัปะก็คือความดําริในการออกจากการมดําริในความไม่พยาบาทดําริในความไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปะเราดูเอฟเกี่ยวยังไงใช่ไหมเกี่ยวยังไงสัมมาสังกัปะสัมมาสังกัปะนี่เป็นตัวปัจจัยของสมาทิฏฐิเลยนะถ้าไม่ดําริออกจากการมดําริออกจากการเบียดเบียนหรือว่าดําริออกจาก ไอวิหิงสาสังกปะเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้าไม่ดํารีออกจากพยาบาหรือออกจากความเบียดบยเบียนเป็นต้นเหล่าเนี้สัมมาทิฏฐิเดินไม่ได้เพราะเขาเป็นเหตุของสมาทิฏฐิสัมมาวาจานี้เป็นสภาวะที่งดเว้นเลยนะเป็นสภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคําหยาบแล้วก็งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลยนี่จะเป็นสัมมาวาจา่าแตสมารกรรมตา ก, ก็คือเป็นสภาวะนะ เป็นตัวสภาวะที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้แล้วก็งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมเป็นสัมมารกรรมตักถ้าสัมมาชีวะก็คืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ก็คือละการเลี้ยงชีพที่ผิดเลยสำเร็จการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแค่นั่นแหละเว้นจากการยทุจริตสามวจีทุจริตศนั่นแหละที่เกี่ยวกับอาชีพนี่แหละเป็นสัมมาชีวะ สัมมาวยามะในภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เกิดฉันทะพยายามปารบความเพียรประกองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุิรธรรมอาโมกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอคติรธรรมอลาโมกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุติรธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพบูรณ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมของกุติรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะอสำคัญมากนะ สมบัติานเนี่ยนะสมานีสคัญสม ين, สม ใช่ใชโดยโดยจิตคือเวรตีสามถ้าเกิดในชั้นของโลกิยะเขาก็เกิดต่างอารมณ์นึนมีอารมณ์ที่ต่างกันออกไปเพราะว่าสมาวาจาศัมมากมุตตาสมาวาจาที่เกี่ยวกับการงดเว้นบาปทางกายไปเลยที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่เป็นในชั้นของโลกิยะที่เป็นไบ ก, กุศล แล้วถ้าสัมมารกรรมตตะขึ้นมาทำกิจของเขาเนี่ยนะเขาก็ทำกิจในการที่งดเว้นบาปทางกายกรรมไปเลยถ้าสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นมาก็ทำกิจในการที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพนะการประกอบอาชีพที่มีการงดเว้นทั้งกายแล้วก็ทางวาจาที่เป็นไปกับการเลี้ยงชีพเลยแต่ถ้าหากในชั้นของโลกุตตะสัมมาวาจาสัมมารกรมตตะสัมมาอาชีวะ ไปทำกิจในการรอบรู้ทุกล้าสวูไทยทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วก็เป็นหนึ่งในอริยมรรคให้เต็มนั่นเองก็ไป ม, มีอารมณ์เดียวคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ต่างอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือสัมมาสติ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็น เห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเบียนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนานัตในโลกเสีได้ตรงนี้จิตในเบื้องต้นก็ทำอริยสัจสี่บางกลมก็มาสายกายาบางกล่มก็มาสายเวทนาบางกลมก็สายจิตตาแล้วก็บางกลมก็มาละเลิกมาในสายของดัมมานุปนัสนานี่แต่อริยสัจเนี่ยเข้าไปประชมกันในเออสติปัฏฐานเนี่ยเข้าไปประชมกันในโลกุตละได้ด้วย หมายความว่าเขาจะไปบริบูรณ์ในนั้นะจะไปบริบูรณ์จริงจริงจะไปบริบูรณ์เพราะในโลกุตระสติปฐานนี่เขก็นั่นเลยใช่ไหมต้องชื่อว่าเขาประชมทั้งหมดในนั้นเดล้ําไปในนั้นเราในกายเวทนาจิตและธรรมนี่จนี้ต้องกล่าวอยู่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้เขาดูเหมือนจะแยกกันเบื้องต้นเนี่ยแต่เขาไปไประชมกันในนู้นนะโรกัลดาณ์า น, นะโพี่ปักเนี่ย แต่ประธานตงไปทั้งสี่ไหนั่นแหละเขาไปชมไปชำนาญในสีน่น้แหละในโล ก, กุตละนี่นแหละสมาสมาธิก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากอกุตโตและธรรมเวลามกแล้วเข้าปฐมฌานมีวิโตวิจารปิติอยู่แต่วิเวกอยู่ทุติยฌานนะมีความผ่องใสในภายในมีธรรมะเอกผุดขึ้นในต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ตาติยฌานแล้วก็จตุทะฌานเนาะ ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ละสุขและทุกข์ดับโสมนัตโทมณัตเป็นต้นได้ดับมีเวขาเป็นเหตุให้สติบริบูรณ์อยู่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกรรพริกษทุทั้งหลายนี่เรียกว่าทุกขานิโรธขามินีบริเวณธ า, าตุเนี่ยลักษณะนี้เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์ที่เป็นนํามาดําเนินความให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ทำความเข้าใจ ทีนี้ในในการศึกษาคําสอนของพระธเจ้าเนอะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นข้อปฏิบัติใช่ไหมของพระผู้มีภาคเจ้าที่พระองค์ทรงบอกเขาไว้ว่าในกรณีที่กล่าวถึงในเรื่องของอริยสัจจะที่เราศึกษากันมาเนี่ยถ้าในเรื่องของอริยสัจสัจจะเนี่ยชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาพ เที่ยงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นโดยแท้จริงแล้วก็เป็นความเป็นทุกข์ของจักรสุเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นชั้นใดความบีบคั้นของบุคคลผู้มีทุกข์ด้วยทุกข์สามอย่างนะคือทุกขกับทกวิปริณามทุกข์แล้วก็สังขาระทุกข์เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกขกับทกก็คือทุกข์อย่างแท้จริงนะทั้งกายและใจก็เป็นทุกข์ ส่วนสังวิปรินามทุกท่านแปลว่าทุกแ ป, ปรปลวนสังขาระทุกก็คือทุกที่มันปรุงแต่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของสังขาระทุกคือทุกที่ปรุงแต่งกรรมนั้นๆไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดรูปนามขันห้าเนาะอันเป็นผลที่เกิดจากกรรมหรือทุกที่ปรุงแต่งอุตุบ้างปรุงแต่งจิตบ้างปรุงแต่งอาหารบ้างเนี่ยนะ ไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เกิดอุตุชรูปเพื่อให้เกิดจิตเชรูปแล้วก็อาหารชรูปนี่นะแม้จกักษุ ร, รูปประพ ม, มก็เกิดขึ้นแก่ผู้เสวยทุกขซึ่งปรุงแต่งด้วยกรรมมันยิ่งใหญ่คือการเจริญชันในพบก่อนก่อนมิได้เกิดขึ้นโดยประการอื่นส่วนจกักษุของเราสัตว์ในการมาภูมิแม้เกิดจากสังขารทุกข์คือกรรมในพบก่อนก่อนก็เกิดแก่ผู้เสวยสังขารทุกข์ มีอาหารมีอุตุเป็นต้นเหล่านี้นะทุกบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นไปตลอดชีพไม่ได้เกิดขึ้นโดยประการอื่นเมื่อเกิดขึ้นอยู่จักสุย่อมวิบัติไปในการใดาการหนึ่งเมื่อมีปัจจัยบกพร่องหรือมีอันตรายต่างๆมาปรากฏนะถึงเวลาเสียชีวิตจักษุก็วิบัติไปโดยแท้ถ้าไม่ไม่ไม่วิบัติไปณนะขณะ น, นี้ใช่ไหในที่จริงจรพอใกล้พอเสียชีวิต ตัวจักขูก็ต้องวิบัติดังนั้นสังขารทุกผู้ยินดีในจักษุและปรุงแต่งกรรมปัจจัยมีอาหารเป็นต้นเหล่านี้นะหรือบารุงรักษาจักูุจึงไม่หมดสิ้นไปในสังสารวัตรเขาต้งบอกว่าแคกรรแา่กรรมที่จะปรุงแต่งตากรรมที่จะปรุงแต่งตาเพื่อจะทำให้ตาอุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยที่เราสั่งสมกรรมต่างๆเหล่านี้มานะมากมายนะ หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ไม่พบส่วนอื่นไม่ต้องพูดถึงเอาตามาเป็นจุดแล้ไหมกรณีที่ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไอตัวกรรมที่มันเป็นสหายของของตัณหานี่แหละเรามันยินดีต่างๆเหล่านี้มันก็ปูงแต่งมาถ้าจะคิดในอดีตเนี่ยหาเบื้องต้นไม่พบหรือจะรับผลของการที่จะได้ตาเนี่ยคิดไปข้างหน้าก็ไม่มีที่สุด เนี่ยที่ทํามาเนี่ยเพียงพอแล้วการที่จะทํากรรมที่เกี่ยวกับปรุงแต่งที่จะทําให้ได้ตาเนาะไม่ต้องทํากรรมเกี่ยวกับตาเลยเนี่ยนะเกี่ยวกับการปรุงแต่งตาอีกเลยเนี่ยแต่เรายังชดใช้นะีต้องใช้กรรมว่าอย่างนั้นนะเราจะต้องไปรับเนี่ยเรายังจะต้องไปรับไปวิบากในการกระทําในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เกี่ยวกับจักรคูประสาทยอย่างเดียวเนะี่ยอีกมากมายนะแต่ไม่ได้รับประกันนะจะได้ตาสวยๆงามๆเสมอไปใช่ไหม ไม่รู้ตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสรุปแล้วก็คือเราทำกรรมทุกๆวันหนึ่งกี่ขณาจิตเอางี้ดีกว่าว่าห้านาทีเนะี่ยกี่ขณาจิตในการยินดีเพลิดเพลินนั้นกรณีอย่างการทำกรรมต่างๆหนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วลองคิดดูที่บางครั้งเนี่ยเราทำกรรมด้วยการปรุงแต่งตาแล้วยินดีเพลิดเพลินในการดู เพาที่ผ่านมาเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยเอาแค่ในปัจจุบันนะพบเนี่ยมันนับไปวไหมเนี่ยเจตนากรรมที่เกิดร่วมกับตัณหาที่มีความยินดีเพลิดเพลินทางรูปเป็นต้นเหล่าเนี้แม้แค่ห้านาทีมันก็ปาไปไม่รู้เป็นกโกดๆกี่โกดขณะดโชนะใช่ไหมบางคนเนี่ยสามารถยินดีเพลิดเพลินได้ตั้งหลายๆชั่วโมงเนี่ยลองคิดดูปริมาณของกรรมนี่เมันที่มันเกิดร่วมกับความยินดีเพลิดเพลินในการดูเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนใช่ไหมเย็นวอก ้จะมีอยู่ก็กรณีที่หากที่เราเห็นแต่ละครั้งใช่ไหมถ้าเรามองจากจิตทางวิถีเนี่ยก็เห็นเห็นชัดเลยบอกมีรูปารมณ์มาปรากฏจะไม่มีแสงสว่าง จากขูประสาดดีบ้างมีมีแสงสว่างมีลมบารมมาปรากฏเฉพาะหน้ามีมนตสิการผลปรากฏก็คือเป็นเหตุทําให้จากขูทวาริกาอตีมหันตารมวิถีเกิดได้อันนี้อารมณ์นี้แรงมากเนาะเป็นอารมณ์ที่คุ้นข้างรุนแรงมากชัดเจนมากและตรงใจตั้งใจเลยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะจากขูวิญ ญ, ญาณรูปรารมณ์ก็เกิดจากขูวิ ญ, ญญาณก็เกิดใช่ไหมสัมปติชนะสันติรณนาโวทัพนะในส่วนจริงโชวนะก็เกิดก็ยินดีแล้ว แล้วชวนะไม่รู้กี่ล้านล้านวิถีเนาะในขนาดหนึ่งหนึ่งที่เราทำกรรมฉะนั้นเจตนากรรมนั้นน่ยทุกทุกโชวนะทั้งเจ็ดชวนาะมีเจตนากรรมเรียกว่ากรรมต่างกันหมดเลยทีนี้โดยเฉพาะลงสู่ทางวโนทวารแลวิถีเป็นกรรมที่ค่อนข้างหนักนะสหัสสกันมากเลยความยินดีในการที่เรายินดีเพื่อเพื่องในรูปารมณ์หรือในรูปในวันณะ ในสีในสิ่งที่สวยๆงามๆที่สัตว์เพื่อนเพื่อนยินดีอันนี้เอาที่สัตว์เพื่เพื่อนยินดีนะถือว่าที่ไม่เพื่อเพื่อ น, นไม่ยินดีที่เป็นไปกับโทสะก็ถือว่ากล่าวแล้วด้วยเด้อแล้วโมหะติดบังเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงกระแสของชาวนาที่มันไหลยิ่งกว่าน้ำนะอย่างกับน้ําไหลจากหน้าผาเนี่ยมันไหลอ ย, อยู่อย่างไม่ขาดสายลงระวังเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้ลมณอบใจ เพราะความจงใจความตั้งใจที่จะเพ่งจะดูจะคิดจะวิจัยต่างๆเพื่อจะเสพอารมณ์เหล่านั้นหรือจะกินอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อต้องการสวยรสของอารมณ์เหล่านั้นให้ชื่นอกชื่นใจต่างๆก็แล้วแต่กรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดด้วยความจงใจตั้งใจเลยสัตว์ทั้งหลายมีความตั้งใจเต็มที่จงใจเต็มที่จัดแจงเต็มที่ในการทาการจากการได้เห็นนั้น จากการได้เห็นนะนํำมาสู่กรรมอื่นอีกมากมายทั้งได้ยินด้วยทั้งได้กลิ่นด้วยทั้งได้ริมรส ด, ด้วยทั้งได้สัมผัสด้วยธรรมารมก็มีการปรุงแต่งอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในขนาดนั้นนะ่ะปริมาณบางครั้งที่เราเสพอารมณ์ต่างๆกินอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะ่ะบางท่านเนี่ยอยู่เป็นวันเป็นคืนเลยนะคุกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมองอารมณ์เหล่านั้นสัมผัสยินดีละเพิดเพลินอารมณ์เหล่านั้น ไม่ว่างเว้นบางทีก็ลือหลบไปกินอาหารแป๊บเดียวกลับมาดูต่อเนี่ยนะกลับมายินดีมาเพลิดเพลินต่ออย่างนี้เป็นต้นก็ต้องคิดดูปริมาณของตัญหาที่บวกกับเจตนาเนี่ยที่มีกรรมเป็นสหายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาทั้งทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมทั้งอุบาชเวทนิยกรรมทั้งอัปรปราพระเวทนยกรรมชาวนะทุกตัวมีความเข้มข้นวมดเลย แต่ละชาวนาเจอชาวนะนี่มีความเข้มข้นมีความแข็งแรงพร้อมด้วยเจตนาเบ็ดเสร็จสามการเลยอ่ะก่อนทําก็เจตนาบริบูรณ์ขณะทําเจตนาก็บริบูรณ์หลังทําเสร็จแล้วยังกลับมายินดีเพื่อเพื่น ต, ต่างๆเหล่านี้ลองที่ปริมาณเนี่ยบางท่านนั้นน่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นโดยการขาดโยนิโสมนสิการอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมเป็นอะโยนิโสมนสิการด้วยปล่อยตัวปล่อยใจเต็มที่ในการที่จะเสพ อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เกิดความยึดติดอย่างรุนแรงหนึง่งอันลองคิดดูกรรมที่ทำานั้นปรุงแต่งอะไรกรรมต่างๆไอเจตนากรรมต่างๆเหล่านี้ปรุงแต่งทุกข์สัตย์